เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่ห้าวันที่หนึ่งวันแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มวันที่คู่แข่งของฉันได้เป็นหัวหน้าแผนกเต็มตัวเขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเขาฉันก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ของฉันเราทักทายกันตามปกติเขาไม่วางฟอร์มคุยกับฉันในฐานะที่ปรึกษาตามสัญญาอย่างน้อยก็ในวันแรกที่นั่งแป้นหัวหน้าแผนกคนใหม่ ถึงเดี๋ยวนี้ยฉันไม่รู้สึกรุษาอะไรกับตำแหน่งและความก้าวหน้าทางโลกสักเท่าไหร่แล้วเห็นคู่แข่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโตเกินชั้นเป็นหัวหน้าชั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ให้คุณให้โทษกับชั้นก็ไม่เดือดร้อนอยากเล่นเร่าเป็นเด็กถูกแย่งของเล่นนี่คือการแสดงฤทธิ์ของพระธรรมเมื่อใครทำใจให้เสมอธรรมะแล้วย่อมประสบกับความเยือกเย็นจากภายใน แม้โลกภายนอกจะขึ้นลงเพียงใดก็ตามกล่าวได้ว่าพระธรรมให้ฉันยิ่งกว่าความก้าวหน้าในการงานเพราะแม้แต่การต้องย่ำอยู่กับที่แล้วเห็นคู่แข่งแซงหน้าก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้เลยอย่างหน้าชื่นเรื่อนใจอยู่เหมือนเดิมขอแค่ทำงานมีเงินพอดำรงอัตภาพเพื่อปฏิบัติธรรมต่อได้ฉันก็พึงใจพอแล้วความพอนั่นแหละ ที่พุทธศาสนาให้กับฉันความพอนั่นแหละไม่อาจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสากลลโลกบันดาลได้หลังจากได้รับการสั่งสอนจากพระอาจารย์ที่วัดในชนบุรีฉันเกิดความตระหนักขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเราจะรู้ว่ากิเลสมากขึ้นหรือน้อยลงนั้นบางครั้งต้องอาศัยเครื่องกระทบจากภายนอกมาช่วยพิสูจน์เหมือนใครสักคนรู้สึกว่ามีความรู้มาก หากปราศจากข้อสอบหรือคนถามปากกล่าวก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปวัดว่ารู้มากหรือรู้น้อยเพียงใดหากเราหลีกเลี่ยงหรือไม่เผชิญหน้ากับเครื่องทดสอบกิเลสก็เท่ากับเปิดโอกาสให้หลงติดอยู่กับความสงบทางใจปลอมๆความสงบอันเกิดจากการหลีกเลี่ยงสิ่งเล้าจะเป็นประโยชน์อันใดต่อผู้หวังหลุดพ้นอย่างแท้จริงห่ื โลกเขาส่งอาหารมาป้อนให้ปัญญาเติบโตถ้ามัวแต่กลัวขมกลัวคืนแล้วเมื่อไหร่จะแข็งแรงพอไปวัดดวงกับกิเลสได้มุมมองของฉันเปลี่ยนไปแล้วคนธรรมดาหน้าอิจฉาตรงไหนพวกเขาเต็มไปด้วยความไร้สติติดวนอยู่กับทุกข์ทางใจสารพัดเหมือนอดอยากปากแห้งไม่มีข้าวน้ำไว้ดื่มกินการเลื่อนตาแหน่งในสายตาภายนอก คือเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นมีโอกาสได้หน้าบ่อยขึ้นแต่ถ้ามองในมุมของสุขทุกข์ภายในฉันเห็นว่าเขามีภาระมากขึ้นเพิ่มเวลาทํางานมากขึ้นและเจอแรงกดดันจากความคาดหวังของผู้ใหญ่หนักขึ้นแน่นอนว่าคนในโลกเห็นเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าแต่สําหรับใจที่เริ่มบยบินกลับคืนสู่ธรรมชาติของฉัน กลับเห็นชัดยิ่งกว่าชัดว่าตำแหน่งและยศศักดิ์ทางโลกนั้นยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนเพิ่มจำนวนโซ่ตรวนมากขึ้นเท่านั้นคำว่าความก้าวหน้ามีหลายแบบผู้ที่หวังความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมักมีมุมมองที่พลิกกลับเป็นคนละด้านกับผู้ที่หวังความก้าวหน้าทางโลกว่ากันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะมองเห็นแง่ไหนมุมใดของชีวิต ความจริงถ้าทำงานพอกินพอกเก็บก็ควรแก่การพึงใจไม่น่าเดือดร้อนอะไรแล้วแต่ธรรมชาติของมนุษย์จะสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีไปเรื่อยเรื่อเรียกว่าถ้าให้โลกทั้งใบก็จะเอาดวงจันทร์ดาวอังคารเรื่อยไปจนกว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมางงงานว่านี่เราจะเป็นลาวิ่งตามเหยื่อที่เขาแขวนไว้บนไม้ล่อตาทาไมคนส่วนใหญ่ตายก่อนจะมีโอกาสลืมตาตื่นขึ้น คนอีกส่วนหนึ่งมีโอกาสลืมตาตื่นขึ้นแต่ก็หลับลงไปใหม่คนส่วนน้อยเท่านั้นมีโอกาสลืมตาตื่นขึ้นด้วยและรู้วิธีที่จะไม่กลับหลับไหลลงอีกการมองคนที่ทำงานของฉันก็เปลี่ยนไปเหมือนเห็นตัวเองในอดีตผ่านใครต่อใครรอบๆมนุษย์เป็นสัตว์ครึ่งโง่ครึ่งฉลาดแล้วก็แสนดื้อกับการยอมรับความจรงิง พวกเขาจะเอาภาคฉลาดมาปฏิเสธหรือแก้ตัวให้กับภาคโง่ของตัวเองบ่อยๆเพียงถ้าพวกเขาจะยอมรับทั้งด้านดีและด้านเสียในตัวเองตามจริงก็จะพากันฉลาดและมีช่องทางพัฒนาชีวิตให้สูงส่งยิ่งขึ้นอีกมากฉันรับรู้อาการทางจิตของผู้คนด้วยความสลดสังเวชมองจากมิติของจิตอันเป็นปัจจุบัน ฉันเห็นผู้คนในโลกมีภาวะของจิตยอยู่ไม่กี่แบบถ้าไม่เหมือ่ลอยก็ฝุ้งซ่านถ้าไม่ฝุ้งซ่านก็เคร่งเครียดถ้าไม่เคร่งเครียดก็ซึมเศร้าวนไปวนมาอยู่แถวแถวนี้ที่จะเจอคนมีสติรู้อะไรที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้านั้นแสนยากต่อให้เป็นระดับบริหารก็เถอะพวกผู้บริหารมักจมอยู่ในอาการตรึกนึกกันเป็นส่วนใหญ่นิทัเพียงเขาฝึกสมาธิ เพื่อก่อสติสัมปชัญญะเป็นเฝ้าสังเกตเวทนาสัญญาและความตรึกนึกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อใดก็คงไม่ต้องแอบหาหมอขอยาแก้เครียดกันเกือบครึ่งเมืองเหมือนทุกวันนี้คนเคยเสพสุขอิ่ม้ํำจากสมาธิอันหวานชื่นพอเจอคนจิตแห้งเหี่ยวทั้งหลายแล้วความรู้สึกเหมือนเดินผ่ากลางเข้าไปในทะเลทรายแลงน้า พวกเขาไม่เคยรู้จักแหล่งน้ำที่แท้จริงแล้วต้องกวดไล่พยับแดดไร้ตัวตนไปเรื่อยเมื่อเริ่มจับจิตคนอื่นได้เป็นขณะขณะโดยไม่ตั้งใจฉันก็พบความจริงประการหนึ่งคือเวลาคนเราเหม่อไร้สติปล่อยใจฟุ้งซ่านไปเรื่อยจิตจะลอยเคว้งเหมือนลูกโป่งที่ปลิวไปเรื่อยตามทางลมฉันว่าคนคิดสับเช่นเหม่อลอย คงต้องมีความสามารถจับกระแสจิตคนอื่นได้ชัดราวกับตายเห็นรูปเป็นแน่เพราะมันดูลอยไปลอยมาเหมือนลูกโป่งถูกพัดมาพัดไปจริงๆขณะที่จิตขาดสติไม่ยกอารมณ์ใดเข้าสู่การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสใดๆถึงแม้อายุห้าขวบหรือมากขึ้นกว่านั้นกี่ปีความรู้สึกก็คงเป็นอันเดียวกันนั่นเอง อาจจะภาว ะ, พะเพ่าเลือนไม่รู้เรื่องรู้ราวนี้เองที่ทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเดิมไปตลอดชีวิตแม้โครงสร้างความนึกคิดและสติปัญญาจะพัฒนาต่างไปเป็นคนอื่นมากมายหลายหลากเพียงใด